กิเลทุกประเภทมาเกิดขึ้นในใจของเราแล้วทำให้เราเรามูวเรามืดเราบอดเราไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างสำหรับที่จะพิจารณาอะไรให้มันถูกต้องตามสภาพที่เป็นจิิเนี่คือความมืดความมูวโมหะความวามืดเรียกวา่าโมหะ